เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่คุณเบลประสบมากับตัวเกิดขึ้นในสมัยที่คุณเบลอายุได้ประมาณ18ปีคุณเบลเล่าว่าผมเป็นคนเชียงรายพ่อกับแม่ทํางานที่เชียงใหม่ด้วยหน้าที่การงานทําให้ผมกับน้องชายต้องอยู่บ้านตากับยายที่เชียงรายเดือนหนึ่งพ่อกับแม่จะกลับมาหาสักครั้งหรือไม่ท่านก็จะมารับสุขเย็นๆหลังเลิกเรียนเพื่อไปบ้านที่เชียงใหม่สมัยนั้น บ้านผมจะมีรถมาสด้ารุ่นเก่าคันเล็กๆแล้วมีแคปเป็นหลังคาอยู่ด้านหลังวันนั้นจำได้แม่นครับเป็นคืนวันศุกร์นี่แหละทุกครั้งที่พ่อแม่มารับผมกับน้องเราจะออกจากเชียงรายราว4ี่โมงเพื่อจะได้ไปถึงเชียงใหม่ไม่ดึกและปลอดภยัยถ้าใครเคยขับรถเส้นเชียงรายเชียงใหม่จะรู้ว่าถนนเปียวมากทางโค้งคดเคียวขึ้นเนินลงเนินเยอะมากเรียกว่าเป็นการขับรถข้ามภูเขา าป่าก็ว่าได้วันนั้นเป็นวันที่พ่อผมดันมีธุระกว่าจะออกจากเชียงรายได้ก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วขับมาเรื่อยๆออกมาได้ไม่นานก็มืดแล้วและเป็นช่วงหน้าหนาวมีหมอกบางๆทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงพอเลยขับช้าขับมาสักพักเข้าเขตปา่าทึบที่สองข้างทางไม่มีหมู่บ้านไม่มีไฟข้างทางเลยรถก็เกิดอาการกระตุกกระตุก ผมกับแม่มองหน้ากันลึกๆักพอเริ่มลดความเร็วลงอีกจนสักพักจากการกระตุกมันก็ดับไปประเด็นคือดับตรงที่ที่เปลี่ยวมากมีไฟกิ่งข้างทางอยู่หนึ่งต้นด้านหน้าห่างไปประมาณเกือบร้อยเมตรจากจุดที่รถดับพ่อผมออกไปเช็คข้างนอกเปิดดูฝากระโปรงและบอกให้เราทุกคนอยู่ในรถจังหวะตอนที่พ่อออกไปสายตาพวกเราในรถเริ่มชินกับความมืดบรรยากาศรอบๆผุดหู่มากแม่เริ่มใจไม่ดี กอด น, น้องแน่นระหว่างที่พ่อกําลังเช็ครถข้างหน้าผมเลือบเห็นเป็นเงาคนลางๆทําท่าเหมือนกับส่องๆอยู่ข้างกระจกฝั่งแม่ผมรู้ว่าแม่ก็เห็นแต่แม่ทําสีหน้าแบบห้ามทักนะอะไรประมาณนี้ไอ้ผมก็ปากไวไปหน่อยดันพูดว่าแม่เห็นเงาใครข้างๆไหมแม่ผมก็รีบตัดบทตะโกนถามพ่อว่ารถเป็นไงบ้างพ่อชะโงกหน้ามาจากกับโรงรถบอกยังหาไม่เจอเลยสักพักรถมีอาการเขยา่า ผมรู้สึกเหมือนมีคนย่ำอยู่บนหลังคาแม่ก็รู้สึกพ่อยังตะโกนมาหาเราว่าทำอะไรกันอย่าเล่นกันสิพ่อจะดูรถคือตอนนั้นเรานั่งกันนิ่งมากไม่มีใครกล้าขยับแน่นอนผมเห็นสีหน้าแม่ผมไม่ค่อยดีเลยถามไปแม่ผมบอกว่าแม่เห็นมีคนเดินวนรอบรถเราหลายคนแล้วผมเลยมองไปที่กระจกมองหลังชัดเลยครับเห็นเป็นตัวคนมืดๆสองสาคนอยู่ด้านหลังรถยืนนิ่งๆผมกลัวมาก แลยแต่โกนเรียกพ่อให้ขึ้นมาบนรถแต่ไร้เสียงตอบรับจากพ่อครับแม่เปิดประตูจะไปตามพ่อพ่อออกไปเท่านั้นแหละแม่กรีดร้องร่ำเลยเรียกผมให้ออกไปภาพที่เห็นก็คือพ่อผมนอนกองอยู่หน้ารถผมกับแม่รีบพยุงพ่อเข้ามาในรถแม่ผมรีบโทรหารถฉุกเฉินหรืออะไรนี่แหละสมัยนั้นสัญญาณก็ไม่ค่อยจะมีเรารอกันอยู่ในรถโดยที่ตลอดเวลาก็ได้ยินเสียงหัวเราะ ค, คิกคัก ปนเสียงร้องไห้เงาก็ยังเดินไปมาเรียกว่ากลัวจนตายด้านไปแล้วสักพักใหญ่รถอาสาก็มาพาพ่อไปสถานีอนามัยเล็กๆใกล้ๆแถวนั้นเราจอดรถทิ้งกันไว้ตรงนั้นเลยจากนั้นพวกเราก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้พี่ตำรวจฟังตำรวจบอกว่าคืนนี้ให้พักที่อนามัยนี้ไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยไปเอารถพ่อผมฟื้นขึ้นมาปลอดภัยดีแค่หมดสติพ่อตื่นขึ้นมารีบเล่าอย่างตื่นเต้นว่าตอนที่ดูรถอยู่ เห็นกลุ่มคนเดินมาข้างหลังก็ยั ง, งงงว่ามาจากไหนกันพอพวกเขาเดินเข้ามาใกล้ๆทุกคนมีแต่เลือดเต็มตัวบางคนก็คอขาดมาเลยแล้วพ่อก็หมดสติไปเลยเราอยู่ที่สถานีนามัยกันจนถึงเช้าพี่ตำรวจก็มารับพวกเราไปส่งที่รถซึ่งห่างจากนามัยประมาณ5กิโลเมตรพอมาถึงตรงที่รถพ่อผมจอดเสียพวกเราก็ขนลุกกันแบบสุดๆเพรารอบๆบริเวณนั้นมีตุงสีแดงปักอยู่เป็นสิๆ ภาคเหนือเวลามีคนตายโหงเขาจะเอาตรงมาทําพิธีแบบนี้ไว้เชิญวิญญาณทั้งที่เมื่อคืนนี้เราก็ไม่เห็นอะไรกันเลยพี่ตำรวจลองไปสตาร์ทรถรถก็ติดง่ายๆไม่ได้เสียอะไรทุกคนนี่งเงียบกันหมดเลยจนสักพักพี่ตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าไม่กี่เดือนนี้มีรถเขาจะมาทําบุญเป็นรถกระบะที่มีคนนั่งด้านหลังมาเป็น10บสบคนพอดีรถแหกโคงตรงนี้ตายกันเกลือนเลยเจอกันหลายรายแล้วล่ะ บางรายก็ไม่รอดเมื่อคืนผมก็เห็นพวกเขาล้อมรถคุณอยู่เลยไม่กล้าพูดอะไรพวกเราฟังอย่างนั้นก็พูดไม่ออกกันเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลอนที่สุดในชีวิตของผมจำได้แม่นทั้งครอบครัวจากวันนั้นพวกเราก็ทำบุญกันยกใหญ่เลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ